พระไตรปิฎกเล่มที่12บสองมธุปินทิกสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามเขตกรุงกบินลพั์แควนสักกัตทันทัปานิสักยะกำลังเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันแล้วเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาค ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมมาโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดํารงอยู่ในโลก อันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพรามผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทยานอยากในพบน้อยพบใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วทันทปานิสักยสันศีสัแลบลิ้น ทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไมเท้ายันขึ้นแล้วจากไปครั้นในเวลาเย็นประผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังนิโครทารามแล้วประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเล่าถึงเรื่องคำถามของทันทปานิศักยะภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพรห ม, มโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์นั้นผู้อยู่ปราศจากการทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ ผู้ปราศจากความทยานอยากในพบน้อยพบใหญ่ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปับปัญจะสัญญาคือสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเป็นเหตุให้เนื่อช้าคือตัณหามานะและทิฏฐิแง่ต่างๆแห่งปัปปันจะสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุัสเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุัสเป็นที่สุดแห่งทิฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุัสเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งพระวรานุัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุัย และเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุขกฏเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธาจเข้าไปอย่างที่ประทับ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความนี้ให้พิสดารได้ภิกษุเหล่านั้นจึงคิดถึงท่านพระมหากัจรนะดยท่านพระมหากัจรนะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่อง ทั้งเพื่อนปรุมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปหาท่านพระมหากจารยจนถึงที่อยู่ขอให้ท่านอธิบายเนื้อความนี้โดยพิสดารให้ฟังท่านพระมหากจานยชี้แจงแก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสอบแสวงหาแก่นไม้อยู่ ผ่านโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาจะพึงเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบไม้แม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ผ่านพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไปและจะพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับเราแท้จริง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักรสุขมีพระยาณมีธรรมะเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตธรรมเป็นเจ้าของธรรมะเป็นพระตถาคต และเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่พวกท่านจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าเป็นดังนั้นจริงแต่ยังยืนยันขอให้พระมหากัจจานะอธิบายให้ฟังท่านพระมหากัจจานะจึงยอมแสดงธรรมให้ฟังดังนี้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าภิกษุแง่ต่างต่างแห่งปะปันจสัสญญาย่อมครอบงามบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้น จักขูวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุ่และรูปารมณ์ความประจวบกันแห่งธรรมะทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอารมณ์ใด ย, ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใด ย, ย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใด ย, ย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้น บุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างๆแห่งปะปปัญจะสัญญาย่อมครอบงำบุรุษในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโสตะวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมขานวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารมจิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจิวหาและระสารมกายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐารมมโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมความประจวบกันแห่งธรรมะทั้งสมเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิดบุคคลสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นบุคคลหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตรึกอารมณ์นั้นบุคคลตรึกอารมณ์ใดย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นบุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดเพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นเป็นเหตุแง่ต่างต่างแห่งปัจจัยสัญญาย่อมครอบงำบุรุษในธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่จะพึงรู้แจ้งทางใจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อมีจักขุมมีรูปารมณ์และมีจักขุวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจักบัญญัติผัสสะเมื่อมีการบัญญัติผัสสะเป็นไปได้ที่เขาจักบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจักบัญญัติสัญญา เมื่อมีการบัญญัติสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตกเป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปะปันจัสัญญาเมื่อมีโสตะมีศัทธารณ์เมื่อมีคานะมีคันทารณ์เมื่อมีชิวหามีรสารมเมื่อมีกายมีโพธพารล์ เมื่อมีมโนมีธรรมารมณ์และมีมโนวิญญาณเป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติภาษะเมื่อมีการบัญญัติภาษะเป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติเวทนาเมื่อมีการบัญญัติเวทนาเป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติสัญญาเมื่อมีการบัญญัติสัญญาเป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติวิตกเมื่อมีการบัญญัติวิตก เป็นไปได้ที่เขาจัดบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปัจจัญจสัญญาเมื่อไม่มีจักขุไม่มีรูปารมณ์ไม่มีจักขุวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจัดบัญญัติผัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจัดบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนา เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจัดบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจัดบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจัดบัญญัติการครอบงําโดยแง่ต่างๆแห่งปะปนจัสัญญาเมื<ป>่อไม่มีสโสตะัะไม่มีศัทธารมเมื่อไม่มีฐานะไม่มีขันธารม เมื่อไม่มีชิวหาไม่มีรศสารณมเมื่อไม่มีกายไม่มีโผฏฐารณมเมื่อไม่มีมโนไม่มีธรรมารมไม่มีมโนวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจับบัญญัติผัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลย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 ทรงแสดงไว้โดยย่อได้อย่างนี้เมื่อท่านปรารถนาควรพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจานะจากนั้นจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูลถึงเรื่องที่พากันไปขอคำอธิบายจากท่านพระมหากานะให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากานะเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากแม้ว่าเธอทั้งหลายจะถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นอย่างนี้เหมือนกับที่มหากานะตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แล เธอทั้งหลายจงทรงจำเรื่องนั้นไว้อย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วท่านพระอานอนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้ขนมหวานเขากินในเวลาใดๆก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยในเวลานั้นๆแม้ฉันใดภิกษุผู้เป็นนักคิดเป็นบัณฑิต ก็ฉันนั้นเหมือนกันใครครวนเนื้อความแห่งธรรมบัญญญานี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็จะพึงได้ความพอใจและความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นๆถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนุ์เพราะเหตุนั้นเธอจงทรงจําไว้ว่าธรรมบัญญายนี้ชื่อ มัทุปินทิกะบรรยายจบมพุุปินทิกะสสตรจากพระตรปยิปุสสุติปุสสิปสิส